พระสุตตันตปิดกอังคุตรานิกายนาวกะนิบาทประชุมข้อธรรมะก้าข้อขอยกมาแสดงพอเป็นตัวอย่างดังนี้สอุปะทิเสสบุคคล9ก้าประเภท 1. อันตราปริณพายีพระอนาคามีผู้มีศีลสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาพอประมาณและโอรัมพาคิยะสังโยชน่าได้ 2. อุปหัดจปรินิพายีพระอนาคามีผู้มีศีลสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาพอประมาณและโอรัมภาคียะสังโยชน่าได้ 3. อสังขาระปรินิพายีพระอนาคามีผู้มีศีลสมาธิสมบูรณ์มีปัญญาพอประมาณและโอรัมภาคียะสังโยชน่าได้สี่ สังคาระปรินิพายีพระอนาคามีผู้มีศีลสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาพอประมาณและโอรัมภาคิยะสังโยชน์ห้าได้ 5. อุทังโสโตอกานิทะคามีพระอนาคามีผู้มีศีลสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาพอประมาณและโอรัมพาคิยะสังโยชน์ห้าได้6 พระสกทาคามีผู้มีศีลบริบูรณ์มีสมาธิและปัญญาพอประมาณมีราคะโทสะโมหะเบาบางเจ็ดเอกทีชีพระโสดาบันผู้มีศีลบริบูรณ์มีสมาธิและปัญญาพอประมาณละสังโยชน์สามได้จะเกิดอีกครั้งเดียวก็จะบรรลุอรหัตผล8โกลังโกละ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 ตัณหามูลธรรมเก้าประการได้แก่มีตัณหาคือความอยากเมื่อสแสวงหาก็ได้มาเมื่อได้มาแล้วก็ได้มีการกะกำหนดเมื่อมีการกะกำหนดก็มีความรักใคร่พอใ จ, มมใจเมื่อมีความรักใคร่พอใจก็มีความฝังใจเมื่อมีความฝังใจก็มีความหวงแหนเมื่อมีความหวงแหน ก็มีความตรนีเมื่อมีความตรนีก็มีความปกป้องและข้อสุดท้ายเมื่อมีการปกป้องก็มีการถือไม้มีดการทะเลาะแก่งแย่งขึ้นมึงกูส่อเสียดมุสาวาดอากุสละธรรมทั้งหลายก็เกิดมีขึ้นพรามผู้ถือลัตธิโลกายัตสองคนไปทูลถามพระพุทธเจ้า เจ้าลทัทธิชื่อปุรณะกัสปะกับเจ้าลทัทธิชื่อนิครนทนาตบุตรต่างก็อ้างว่าตนเป็นสัพพัญยูคือรู้สิ่งทั้งปวงเป็นสัพพัทษาวีคือเห็นสิ่งทั้งปวงรู้เห็นโลกไม่มีที่สิ้นสุดด้วยยานไม่มีที่สุดทั้งสองท่านนี้ใครพูดเท็จใครพูดจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าใครจะพูดเท็จใครจะพูดจริงช่างเถอะ เราจะแสดงให้ท่านฟังดีกว่าบุรุษสี่คนมีฝีเท้าเร็วอย่างยิ่งออกวิ่งหาที่สุดโลกไม่พักเลยแม้มีอายุถึงหนึ่งร้อยปีก็จะตายซะก่อนถึงที่สุดโลกในอริยวินัยคำว่าโลกหมายถึงการมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะและธรรมารมอันน่าใกล้น่าปรารถนาน่าพอใจ เป็นที่รักยั่วยวนให้กำนัดภิกษุผู้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมได้รูปฌานสี่อรูปฌานสี่และสัญญาเวทาิตานิโรธสิ้นอาสวะภิกษุนี้แหละจึงจะเรียกว่าถึงที่สุดโลก้าสกะนิบาทประชุมข้อธรรมะสิบข้อ ขอยกมาเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้นาทะกรณธรรมธรรมะที่สร้างที่พึ่งแก่ตนสิบอย่างได้แก่ศีลความประพฤติดีงามพาหุสัจจะมีการศึกษาเล่าเรียนมากกัยาณมิตตาคบเพื่อนที่ดีโวสวจัสตาเป็นคนว่าง่ายปังเหตุปังผล กิณกรณีเยสุทักขตาเอาใจใส่ขวนขวายในกิจการน้อยใหญ่ของหมู่คณะธรรมกามตาฝ่าในธรรมะวิริยารำพะขยันหมั่นเพียรสันตุถีสันโดษภูมิใจในผลสำเร็จที่เกิดจากความพยายามสติประลึกการที่ทำคำที่พูดไม่ประมาท และข้อสุดท้ายปัญญามีเหตุมีผลรู้จักคิดพิจารณาสำหรับนาทกรรธรรมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพาหุกรรธรรมหมายถึงธรรมะมีอุปการะหรือมีประโยชน์มากหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารณียธรรมตถาคตผลลญาณสิบประการ ฐานานานายานปรีชาอย่างรู้สิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้กรร ม, มวิปากยานปริชาอย่างรู้ผลแห่งการกระทำทั้งอดีตและปัจจุบันสัพพัทธคามินีปฏิปทายานปริชาอย่างรู้ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่คติทั้งปวงน า, นานาทาตุญาณปริชาอย่างรู้สภาวะของโลกอันประกอบด้วยธาตุต่างๆ นาณาที่มุตติกยานปรีชาอย่างรู้ความโน้มเอียงและความถนัดแห่งบุคคลอินทริยะปะโรปริยตายานปรีชาอย่างรู้ความยิ่งหรือหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งปวงยานาที่สังกิเลสาธิยานปรีชาอย่างรู้ความเศร้าหมองความผ่องแพ้วการออกแห่งฌานสมาธิและสมาบัติ ปุเพนิวาสานุสติยานปรีชาอย่างรู้ชาติหนหลังได้จุตูป ป, ปาตยานปรีชาอย่างรู้จุดติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายและข้อสุดท้ายอาสะวะขยัยานปรีชาอย่างรู้ความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายสำหรับตถาคตพละยานสิประการนี้บางแห่งเรียกทศพละยาน โปรดเทียบกับตถาคตหในฉา ก, กะนิบาศพระเจ้าปเปเสนที่โกศลทรงมีความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งเมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จะทรงก้มลงจุมพิษพระยุคลบาทเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามว่าทําไมมหาบัวพิษจึงทรงแสดงความนอบน้อมต่อตถาคตอย่างยิ่งได้กราบทูลว่า เพราะพระองค์ทรงประกอบด้วยคุณธรรมสิบประการคือทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มากและทรงประดิษฐ์สถานชนหมู่มากไว้ในการ l a y a ธรรมในกุศลธรรมทรงศีลทรงถือการอยู่ป่าเป็นวัดเสพเสนาสนะอันสงัดทรงสันโดษ ด, ด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ทรงเป็นผู้ควรคำนับของต้อนรับของควรทำบุญ ควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของโลกส่งมีถ้อยคําขัดเปล่ากิเลสส่งได้ฌานสี่ตามปรารถนาส่งระลึกชาติได้ส่งมีทิพยะจักสุและส่งทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะสำหรับเรื่องนี้โปรดเทียบกับข้อความในกัสละสั่งยุทธด้วย วัตถุประสงค์ที่ทรงบัญญัติพระวินัยสิบประการได้แก่เพื่อความเรียบร้อยดีงามแห่งสงฆ์เพื่อความผาสุขแห่งสงฆ์เพื่อกําจัดคนหน้าด้านเพื่อความผาสุขแห่งภิกษุผู้มีศีลอันดีงามเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันเพื่อบำบัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อให้ชุมชนที่เลื่อมใสแล้วเลื่อมใสยิ่งขึ้นเพื่อความตั้งมั่นแห่งสัตรรมและเพื่อสนับสนุนความมีระเบียบวินัยสำหรับเรื่องนี้ข้อ1และสองเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวมข้อ3และ4เพื่อประโยชน์แก่บุคคลข้อ5และ6เพื่อประโยชน์แก่ความบริสุทธิ์แห่งชีวิต ทั้งกายและใจส่วนข้อเจและ8เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนสุดท้ายข้อ8และสิบเพื่อประโยชน์แก่ตัวพระศาสนาเองพระพุทธเจ้าตรัสสอนอุบาสกชาวสักกะชนบทว่าผู้มีรายได้วันละสองกหาปณะนะจนถึงหนึ่งพันกหาปณะนะเก็บทรัพย์ที่ได้มานั้นก็จะมีทรัพย์มากมาย ควรกล่าวว่ามีความฉลาดมีความขยันแต่ถึงแม้เขาจะมีอายุถึงหนึ่งรปีเขาจะได้สวยสุขโดยส่วนเดียวสักวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือครึ่งวันก็ยังไม่แน่แต่สาวกของพระองค์ไม่ประมาทบำเพ็ญเพียรอย่าว่าแต่สิบปีเลยเพียงหนึ่งคืนหนึ่งวันก็สามารถสวยสุขเป็นร้อยปีเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีได้ และได้เป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีกถาวัตถุเรื่องที่ควรพูดกันสิบประการได้แก่อปิจชกถาเรื่องเกี่ยวกับความมักน้อยสันตุทิกถาเรื่องเกี่ยวกับความสันโดษปวิเวกคถาเรื่องเกี่ยวกับความสงัดวิเวก อสังสักกะกถาเรื่องเกี่ยวกับความไม่คลุกคลีวิริยารัมภะกถาเรื่องเกี่ยวกับความขยันหมั่นเพียรศีละกถาเรื่องเกี่ยวกับศีลสมาธิกถาเรื่องเกี่ยวกับสมาธิปัญญากถาเรื่องเกี่ยวกับปัญญาวิมุตติกถาเรื่องเกี่ยวกับวิมุต วิมุตติยา น, านาาัศนะถาเรื่องเกี่ยวกับความรู้เห็นวิมุตสิ่งที่เป็นเซียนหนามสิบประการได้แก่ความคลุกคลีด้วยหมูเป็นเซียนหนามของผู้ชอบความสงัดการชอบมองในแง่สวยงามเป็นเซียนหนามของผู้ประกอบอสุภนิมิตคือผู้ปฏิบัติอสุภกรรมฐานการดูการละเล่น เป็นเสี้ยนนามของผู้สำรวมอินทรีการเข้าใกล้สตรีเป็นเสี้ยนนามของพรหมจันย์เสียงเป็นเสี้ยนหนาของฌานที่หนึ่งวิตกวิจารเป็นเสี้ยนนามของฌานที่สองปีติเป็นเสี้ยนนามของฌานที่สามลมหายใจเป็นเสี้ยนนามของฌานที่สี่สัญญาคือความกำหนดหมายเวทนา ความรู้สึกสุขทุกเป็นเซียนนามของการเข้าสัญญาเวทะยิตะนิโรธและข้อสุดท้ายราคะโทสะเป็นเซียนนามทัท่วไปในวงเล็บน่าจะรวมโมหะด้วยกามโพคีผู้บริโภคกรรมสิบพวกพวกหนึ่งสแสวงหาทรัพย์โดยผิดธรรมไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุข ไม่แจกจ่ายแบ่งปันทำบุญพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยผิดธรรมเลี้ยงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายแบ่งปันทำบุญพวกหนึ่งแสวงหาโดยผิดธรรมเลี้ยงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายแบ่งปันทำบุญพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบทำบ้างผิดธรรมบ้างไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายแบ่งปันทำบุญ พวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบทำบ้างผิดทำบ้างเลี้ยงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายแบ่งปันไม่ทำบุญพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบทำบ้างผิดทำบ้างเลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งแจกจ่ายแบ่งปันทำบุญพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบทำไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายแบ่งปันไม่ทำบุญพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบรำ เลี้ยงตนเองให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายแบ่งปันไม่ทำบุญพวกหนึ่งสแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมเลี้ยงตนเองให้เป็นสุขทั้งแจกจ่ายแบ่งปันทำบุญและข้อสุดท้ายพวกหนึ่งแสวแหงหาทรัพย์โดยชอบธรรมเลี้ยงตนเองให้เป็นสุขแจกจ่ายแบ่งปันทำบุญไม่สยบมัวเมาหมกมุ่นในโภพกทรัพย์เหล่านั้นรู้เท่าทันเห็นโทษ มีปัญญาทรรมตนให้เป็นอิสระเป็นนายเหนือโภกทรัพย์เทระธรรมคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระผู้ใหญ่สิบประการได้แก่เป็นผู้ใหญ่บวชนานมีประสบการณ์มากมีศีลเคร่งครัดเป็นพระหูสูตรทรงจำปฏิโมกได้ดีรู้หลักวินัยดีฉลาดในการระงับอธิกรณ ไยธรรมะสันโดษด้วยจีวรตามีตามได้มีอากาบกิริยาน่าเลื่อมใสได้ฌานและข้อสุดท้ายบรรลุเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์สิ้นอาสวะสัมมันตะภาวะที่ถูกความเป็นสิ่งที่ถูกสิบประการได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมตตะกระทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบสัมมายานะอย่างรู้ชอบ และสัมมาวิมุตต์หลุดพ้นชอบเอกาทศกานิบาทประชุมข้อธรรมะสบเอดข้อขอยกมาเป็นตัวอย่างดังนี้อานิสงส์เมตตาเจโตวิมุตต์คือเมตตาที่เป็นฌาน11อประการได้แก่หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาพิทักษ์รักษาไฟยาพิษสัตราไม่กล้ามกรายจิตเป็นสมาธิเร็วผิวหน้าผ่องใสไม่หลงตายคือตายด้วยจิตสงบและข้อสุดท้ายถ้าไม่บรรลุธรรมสูงขึ้นไปก็จะเข้าสู่พรห ม, มโลกสำหรับเนื้อหาส่วนนี้เมื่อเทียบกับอนิสง์เมตตาแปดในอัตถกานิบาศ ข้อความเหมือนกันในที่นี้เพิ่มข้อแปดเก้าสิบเข้ามา